บ้านเมืองไม่มีขือมีแปรเพราะผู้มีอำนาจขาศีลห้าคนทั้งหลายไปเข้าใจว่ารักษาศีลห้าแล้วจะไปสวรรค์ไปนิพพานถ่ายเดียวศีลห้าข้อนี่แหละกฎหมายปกครองประเทศอย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยถ้าหากว่าคนทั้งหลายได้พากันเคารพและปฏิบัติตามกฎของศีลห้าเนี่ย บ้านเมืองจะเป็นประชาธิปไตยจเจ๋าไปเลยบ้านเมืองเราทุกวันนี้ที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ในฐานะที่หลวงพ่อเป็นคนกลางเนี่ยหลวงพ่อก็พิจารณาทั้งวัดทั้งชาวบ้านเอามาเปรียบเทียบกันมันได้ความอย่างเด่นชัดออกมาว่าเวลานี้ทางฝ่ายศาสนาพวกอลัชชีมีอิทธิพล ทางฝ่ายปกครองบ้านเมืองมาหาโจรมีอำนาจจริงหรือไม่จริงไปนอนคิดนอนตรองดูถ้าใครเจอปัญหาเรื่องอิทธิพลขึ้นมาแล้วคนนั้นจะรู้สึกตัวว่ามันเป็นจริงอย่างที่หลวงพ่อพุดว่าโจรในป่าในดงมาจี้มาปล้นเราเรายังนึกถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจพอได้ไปแจ้งความแต่ว่าเมื่อโจรในเครื่องแบบมารังแกเราเนี่ย เราจะไปแจ้งความกับใครลองคิดดูสิมันก็หมดแล้วถ้าพวกในเครื่องแบบเนี่ยมันไม่มีกฎหมายมันอยู่เหนือกฎหมายแล้วบ้านเมืองมันก็ไม่มีขือมีแปรแล้วหลวงพ่อเคยพูดต่อหน้ารัฐมนตรีอาปากหวอเลยบางทีชาวบ้านใครมีไร่มีนามีที่ไร่ที่สวนมันก็วางแผน ผู้เฒ่าผู้แก่บ้านนอกเนี่ยงงเงินเแกไม่รู้ประสีระษาอะไรเอารถมารับแกไปไปแล้วก็ให้แกไปเซ็นชื่อพิมพ์กรอบข้อความลงไปว่ายายคนเนี้ยกู้เงินมาห้าล้านบาทโดยเอาที่ดินหนึ่งร้อยไร่จำนองแต่ว่ายายแกไม่เคยได้รับเงินสั ก, กตังค์แบบนี้ก็มีและผู้ที่ทำเช่นนั้นก็คือญาติญาติทายาตของนักการเมืองนั่นเอง ในเขตอำเภอจังหวัดก็ตัวรัฐมนตรีเองนั่นแหละไปบอกชาวบ้านว่าฉันจะไปทำเอกสารสิทธิ์มาให้พวกเราจะได้ครอบครองที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์และเอาหนังสือมาให้เซ็นทีนี้คนบ้านนอกก็ไม่รู้อิโนโออินเนอะไรกลายเป็นว่าหนังสือที่เซ็นไปนั่นเป็นนังสือมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เขานี่เขาเล่นกันแบบนี้เพราะฉะนั้น ทางศาสนาพวกอรัตชีมีอิทธิพลทางฝ่ายบ้านเมืองมหาโจรมีอำนาจ